เรื่องเกี่ยวกับนักเรียนแห่นักศึกษาที่เป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ถ้าดำรงจิตใจไหว้ถูกต้องก็จะเป็นผู้ได้รับผลดีมีความสุขมีความเจริญยิ่งกว่าญาติมิตรสหายทั้งหลายจะรวมกันทำให้ได้จะอีกถ้าตั้งใจไหว้ไม่ถูกต้องก็จะประสบแต่ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ยิ่งกว่าที่พวกศัตรูคู่อาฆาตจะมารวมกันทำให้ได้นี่คิดดูว่าความที่เราจะสบายหรือจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นอยู่ที่การตั้งใจไว้ผิดหรือตั้งใจไว้ถูก มันไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาโชคลางอะไรที่ไหนแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นโดยซ้ำไปน่าจะเกี่ยวกับคนอื่นมันก็เนื่องไปจากเราที่เราไปทำให้เขาะพฤติตอบต่อเราอย่างไร ท่นจิงตัดไว้มันชาบตรงไปว่ามันอยู่ที่เราตั้งจิตใจของเราไว้ผิดหรือถูกเมื่อเราตั้จิตตั้งจิตใจไว้ถูกสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปนในทางดีไปตามลําดับทุกเรื่องถ้าตั้งใจไว้ผิดมันก็เป็นไปนในทางร้ายตามลําดับและทุกเรื่อง เนี่ยขอให้สนใจในชั้นต้นที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตใจทุกคนเข้าใจว่าคงจะพอรู้จักว่าจิตใจนั่นคืออะไร <c oughs> เพราะว่าทุกคนมันมีจิตใจอย่างน้อยมันก็พอรู้สึกว่าอจิตใจนั่นมันคืออะไร <c oughs> ส่วนที่จะตั้งไว้ผิดตั้งไว้ถูกบังคับจิตใจได้หรือไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็พอที่จะรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตใจเราเกิดมาจากท้องของบิดามันลาก็ามีจิตใจมาด้วยเสร็จ เรียกว่ามันมาเป็นกลางๆไม่ดีหรือชั่วไม่ผิดหรือไม่ถูกอะไรแล้วมันค่อยมาเปลี่ยนเป็นว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกต่อภายหลังจิตใจทีแรกลองไปสังเกตดูที่เด็กเพิ่งคลอดไม่มีความรู้อะไรที่จะเป็น เรื่องความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้ก็ยังทำไม่เป็นหรือว่าจะทำอะไรให้ดีให้ถูกอีกทางหนึ่งก็ยังทำไม่เป็นที่พอโตขึ้นมาเกิดมาแล้วก็มีการเห็นเห็นโดยตาเห็นเห็นเห็นสิ่ง ต่างๆได้ตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้นได้รสด้วยลิ้นได้สัมผัสผิวหนังด้วยผิวหนังแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้ด้วยใจพอเขาได้เห็นหรือได้ฟังหรือได้กินแล้วก็สุดท้ายประสบกับสิ่งที่พอใจ คืออร่อยอร่อยแกตาอร่อยแกหูอร่อยแ ก, ยแ ก, ยแกลิ้นโดยเฉพาะว่าลิ้นกินแล้วก็พอใจแล้วก็อร่อยมันก็รู้สึกความอร่อยแล้วก็พอใจในความอร่อยแล้วก็อยากจะอร่อยเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างว่าอยากจะให้มันอร่อยทางตา เด็กๆก็ให้ดูพวงทุ ก, กตาเป็นสีต่างๆเด็กๆมันก็สบายตาอร่อยแก่ตาก็ชอบดูอของอย่างนั้นหรือว่าได้ฟังการขับกล่อมด้วยเพลงเพลงกล่อมให้หลับให้นอนอะไรก็ตามทางหูก <c oughs> ็เสียงนั้นมันพอดีมันสบายแก่หูมันอร่อยทางหู มันก็ชอบความอร่อยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางอะไรก็เหมือนกันนับตั้งแต่ได้กินนมแม่กินข้ออะไรต่างๆแล้วก็อร่อยพออร่อยแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาอย่างว่าอย่างนี้อร่อยแล้วก็พอใจแล้วก็ต้องการเป็นฝ่ายที่เขารักจะได้จะเอานี่ถ้าฝ่ายที่ไม่อร่อยก็ตรงกันข้าม เขาก็ได้ความรู้ขึ้นมาไอ้วพวกนี้มันไม่อร่อยไม่สบายเขากเกลียดเด็กที่ไม่เคยมีความรู้อะไรเลยมาจากในท้องมันก็มีความรู้ที่จะรักไอ้ส่วนที่มันอร่อยแล้วก็จะเกลียดส่วนที่ไม่อร่อยหรือไม่สนุกเด็กนั่นจึงรู้จักยินดี ทางหนึ่งแล้วก็ยินร้ายทางหนึ่งในความยินดีพอใจเพราะอร่อยเนี่มันก็พอบคลุมากขึ้นจนเกิดเป็นในความรักเป็นความกำหนัดเป็นความโลภตลอดเวลานี้ก็เริ่มรู้จักเห็นแก่ตัวเมื่อรู้จักอร่อยนี่ยก็จะจ ะ, จะสร้างความรู้จักเห็นแก่ตัวเพื่อจะได้อร่อยแล้วก็อยากจะอร่อย ออกไปถึงว่าอยากจะกินคนเดียวไม่ให้นคนอื่นกินนี่เป็นความโลภอริสยาเมื่อเห็นคนอื่นได้กินและเราไม่ได้กินอย่างนี้ <c oughs> นี่ความรู้สึกฝ่ายความโลภความกำหนัดทัานี้ก็เกิดขึ้นใน <c oughs> ทางที่มันไม่อร่อยเมื่อเกิดโทสะหรือโกทะในความโกรธ ขึ้นแล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่ไม่ไม่แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็มีความติดพันสงสัยผูกพันหรือหวังว่ามันจะต้องได้อร่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยความโลภความโกรธความหลงมันเพิ่งเกิดขึ้นมา เป็นความรู้ของเด็กทารกทีนี่ส่วนทางที่ว่าจะให้รู้ว่าดีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นน้อยนักมันไม่ค่อยมีโอกาสจะให้เรียนรู้ยิ่งโตขึ้นมามันก็ยิ่งเพิ่มไอ้ความโลภความโกรธความหลงส่วนทางที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือความรู้เรื่องตรงกันข้ามนี่ไม่ค่อยรู้ เด็กทารกจึงรู้แต่ตามธรรมดาสามัญที่สัตว์จะพึงรู้ไม่รู้จักที่จะยึดถือจะมีตัวมีตนจะได้จะเอาแล้วก็จะโลภจะโกรธจะหลงส่วนทางตรงกันข้ามที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันไม่รู้ขาดความรู้ส่วนนี้แล้วก็ ทุกสิ่งมันแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าตัวว่าตนเป็นตัวกูเป็นของกูอะไรๆก็เป็นของตนพ่อแม่ของตนบ้านเรือนของตนอะไรของตนของตนของตนนี่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งหลงไหลในของรักของพอใจในเรื่องเพศในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง ทั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นฝ่ายผิดฝ่ายโง่ถ้าจิตใจของเราแวดล้อมอยู่ยแ ต, แต่แต่ความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจทีจ่ตั้งไว้ผิดนั่นเราจรึงมีเรื่องเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงไม่สงบได้ที่าบางคนมันมีมากเกินไปมันก็เสียหายมาก เพไอ้ความโลภความโกรธความหลงที่สะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในจิตใจส่วนทางฝ่ายตรงกันข้ามไม่เคยมีใครสอนมันมีเหมือนกันถ้าว่ามันเกิดในบ้านเรือนที่ดีในครอบครัวที่ดีในสกุลที่ดีมีวัฒนธรรมดีพ่อแม่ก็จะคอยห้ามปรามเรื่องไม่ให้หลงรักหลงโกรธหรือไม่ให้ทําไปในทางที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรม แต่มันเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มันมุมันทำให้รู้สึกไปแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลย <c oughs> แม่พ่อแม่จะรักลูกก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้คอยห้ามกันเรื่องที่จะให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง <c oughs> ก็ปล่อยไปตามความ ต้องการธรมธรมดาธรรมดาต้องการให้มีมากดีมากสวยมากรวยมากเลยเรื่อยไปความอยากอย่างนี้มันก็มีมากนี่เรียกว่ามันเริ่มผิดแหละมันเริ่มมีความรู้ผิดมาประกอบจิตใจแต่ตั้งจิตใจไว้ผิดนั้นเราจึงเดือดร้อนอยู่ด้ความโลภความโกรธความหลง ของเราเองม้ยังไม่มากมายน่าจะมีแต่เล็กน้อยมันก็เป็นความไม่สบายใจเมื่อเราอยากได้ด้วยความงู <c oughs> กมก้ก็ไม่สบายใจเราโกรธใครเกลียดใครก็ไม่สบายใจ ในเรากลัวเราหวังเราสงสัยเราวิกตกกังวลเป็นโมหะอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจ <c oughs> ขอให้ไปสังเกตดูดีๆว่าเราไม่สบายใจมีอยู่บ่อยๆในเรื่องความโลภของเราความโกรธของเราความหลงของเราทั้งสามอย่างนี้เป็นไปเพราะไม่รู้เพราะความโง่เพราะอาวิชชา ถ้าเราอยากในสิ่งที่ควรจะอยากแล้วก็เท่าที่ควรจะอยากเท่าที่ควรจะทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นทุกข์อะไรมากมายแล้วก็ทำได้แล้วก็ได้ผลแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยากด้วยความโง่อยากกินอยากเล่นอยากอะไรก็ตามด้วยความโง่มันจะมากเกินไปจนได้ไม่ทันอกทันใจมันก็ต้องเป็นทุกข์และร้อนใจ <c oughs> เรื่องเหล่านี้เข้าใจว่าผ่านมาแล้วกันทุกคนแต่ไม่สังเกตไม่เอามาคิดมานึกนี่จริงเอามาพูดเอามาคิดมานึกถึงเรื่องที่เป็นมาแล้วแต่ผลหลังว่าลักษณะอย่างไรเรียกว่าเราตั้งใจไว้ผิดเราก็เดือดร้อนรําคาญเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเป็นเอามากๆแล้วมันก็เลยไปถึงกับประพฤติความชั่วเสียหาย วินาศกันหมดก็ได้แต่แม่จะไม่ถึงนั่นฮะเราก็ร้อนระอุอยู่ด้วยจิตใจแต่ที่มันไม่ก็กติมันไม่สงบนี่คือเรียกว่าตั้งใจไว้ผิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ตั้งใจไว้ผิดก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องที่ถูกเราอบรมมาแต่เรื่องให้ผิดให้โลภให้โกรธให้หลงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก มันก็เลยเป็นเรื่องผิดตั้งจิตไว้ผิดดำรงจิตไว้ผิดแต่เพียงแต่เป็นความคิดมันก็ร้อนนะถ้าไปมีการกระทาออกมาเป็นการฆ่าเป็นการ ข, าารขมโมยเป็นการอะไรก่าไปอีกมันก็ยิ่งร้อนมากนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นที่สุด ถ้าโชคดีมีบุญเกิดในสกุลที่บิดามารดาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้รู้เนี่ยเขาก็จะอบรมลูกเด็กๆเนี่ยไม่ให้ทําไปในทางที่ว่ามันเป็นเรียกว่าความโลภแล้วก็ให้บรรเทาความโกรธให้ละความโ ง, คมง่ความหลงความสะพร้าความประมาทเนให้เด็กคนนี้ก็เรียกว่ามันมีบุญ ได้อรมมาดีไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง ท, ที่ที่รุนแรง <c oughs> มันก็เรียกว่าตั้งใจไว้ถูกมันก็สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใ จ, จเจริญขึ้นมาด้วยลักษณะของมนุษย์ที่ดี <c oughs> ที่ไม่เป็นทุกข์ เราไปทบทวนกันใชใหม่ว่าเราเติบโตขึ้นมาในลักษณะอย่างไร <c oughs> ในลักษณะที่พออคูณความเห็นแก่ตัว <c oughs> หรือว่าในลักษณะที่ทําลายความเห็นแก่ตัว <c oughs> ถ้าเราโตขึ้นมาโดยไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> ก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลง ถ้าเราเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัวไปใช้ทุกอย่างมันก็มีความโลภความโกรธความหลงเต็มที่ให้นักเรียนรู้จักกันสับ้างคําว่าความโลภความโกรธความหลงมันเป็นภาษาวัดภาษ า, าศาสน า, าเด็กๆได้ยินแล้วก็ไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะเข้าใจว่ามันคืออะไร แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของคนแก่เราไม่ต้องสนใจเรื่องความโลภความโกรธความหลงแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องสำหรับทุกคนจะต้องรู้ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันไม่ได้ก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงนั่นเองความโลภคือมันอยากด้วยความโง่มันก็อยากในที่ไม่ควรอยาก มันก็อยากมากกว่าที่ควรจะอยากถ้ามันต้องการอย่างถูกต้อง <c oughs> พอดีมีเหตุผลมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความอยากแล้วก็ทำไปตามที่ต้องการที่มีเหตุผลมันก็ประสบความสำเร็จเช <c oughs> ่นการเล่าเรียนนี่เราไม่ต้องถึงกับโลภ <c oughs> เราทำไปพอดีพอดีให้ถูกวิธีเรื่องการเล่าเรียนก็ไม่เป็นทุกข์ แล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จของการเล่าเรียนที่มันอาจจะมีเด็กโง่ซึ่งมันอยากอย่างไม่มีเหตุผลมันเรียนจนเสียสุขภาพแล้วมันก็มันก็ยังสอบไล่ไม่ได้นั่นแหละแล้วก็มันมาเสียใจายเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเลยเรียนไม่ได้ต่อไปถ้ามันอยากได้ความโง่มันต้องการได้ความโง่มันเป็นความโลก เป็นตันหาเขาเรียกว่าตันหากันได้แยกกับความโลภ ก, ก็ได้มันอยากด้วยความโง่มันอย่าอยากด้วยความโง่ให้อยากด้วยความรู้สึกตัวความฉลาดที่เพียงพอรู้จักเพียงต้องการที่มันควรต้องการถ้าเท่าที่มันควรต้องการโดยวิธีที่ถูกต้องนี่เรียว่าจิตมันตั้งไว้ถูกแ ก็ทำไปได้จนประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ใ <c oughs> เรื่องของความอยากหรือความโลภนี่มันก็เนื่องไปถึงเรื่องของความโกรธคือโทสะโทสะเกิดเมื่อไม่ได้ตามที่อยากใช่ไมไม่ว่าโทสะชนิดไหน <c oughs> คือเมื่ออันนั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็โกรธเรามีความโลภมีความอยากอยู่อย่างนี้ นี่ก็เรียกว่ามีกิเลสความโลภที่มันไม่เป็นไปนตามที่เราอยากเราก็มีกิเลสที่สองคือความโกรธนั่ก็เป็นไฟเผาอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันอย่างไรนี่เป็นโมหะเป็นความโง่ความหลงมันก็วนเวียนอยู่แต่ในความผิดการกระทําที่ผิดผิดเป็นคนประมาทคือเป็นคนโง่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ ในบางทีก็ไม่อยากจะรู้ซะด้วยก็มันไปอยากแต่สิ่งที่สบายแก่กิเลสคนมันไปชอบสิ่งที่สบายแก่กิเลสคืออร่อยทางตาหูจมูกลิ้นคายใจถ้าสิ่งที่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นคนก็ไม่สนใจนี่เป็นเรื่องทำผิดต่อธรรมชาติ เารู Recently, <te> no ้ทุกอย่างสท่ารับจะเลือกกันว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ได้ผลดีก็ไม่มีปัญหาเรียกว่าตั้งใจไว้ถูกต้องให้ทุกคนรู้จักไอ้จริงทั้งสามนั่นแหละให้ดีว่าความโลภความโกรธความหลงเรียกเป็นบาลีว่าโลภโทสะโมหะ ไม่ได้เอามาจาในท้องไม่ได้ติดมาแต่ในท้อ ง, งเพิ่งรู้จักทำให้มีขึ้นมาแล้วก็มากขึ้นคนเด็ <c oughs> กเด็กตัวเล็กๆกเพิ่งคลอดรู้จักความอร่อยมากของน้ํานมของอาหารของสิ่งที่เอามาให้ดูให้เล่นให้เกี่ยวข้องด้วยแล้วนี่มันจะเริ่มตั้งต้นที่จะมีเชื่อ <c oughs> ของกิเลส แ ล, และขยายเป็นกิเลสมันต้องอยากมันต้องรักแล้วมันก็ต้องหลงมันต้องยึดถือมันทําบ่อยๆบ่อ ย, อยข้าวมันก็เป็นนิสัยก <c oughs> ารทําเพียงครั้งเดียวยังไม่เป็นนิสัยมาทํามากหลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็เป็นนิสัยจนมันไปโลภว่าทีหนึ่ง มันก็มีนิสัยนิดหนึ่งโลภอีกทีมีนิสัยนิดหนึ่ง <c oughs> หลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็โลภมีนิสัยโลภเต็มที่มันมีอะไรมาสําหรับจะให้โลภมันก็โลภเต็มที่มันจึงยั่งไว้ไม่อยู่มันจึงโลภจนฆ่าตัวเองตายทำลายตัวเองเพราะความโลภความโกรธนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไม่บังคับได้ไปโกรธแค่ทีหนึ่งมันจะสร้างนิสัยโกรธไว้ทีหนึ่ง หน่วยหนึ่งเรียกว่าหน่วยหนึ่งโกรธอีกทีก็อีกหน่วยหลายทีหลายสิบทีก็หลายสิบหน่วยจนเป็นนิสัยแห่งความโกรธแก่กล้าอยู่ในสันดานสะสมไว้ในสันดานเป็นนิสัยสำหรับจะโกรธนันจึงโกรธง่ายและโกรธเร็วและเลยไปถึงว่าโกรธจนทำลายตัวเองวินาดหมด เด็กเล็กๆ ก, ก็ทำไม่เป็นเด็กอ่อนเพิ่งคลอดยิ่งทำไม่เป็นแล้วมันอยค่อยๆเป็นขึ้นมาเมื่อมันเคยเคยเค ย, เคยโกรธเคยขัดใจอะไรทีหนึ่งแล้วต่อมาก็ขัดใจอะไรอีกต่อมาก็ขัดใจอะไรอีกจนโกรธเป็นจนโกรธเก่งนั่นเราจึงเห็นเด็กบางคนโลภเก่งเด็กบางคนก็โกรธเก่งที่นี่เกี่ยวกับโมหะนั่นคือการที่สับเคา ไม่ศึกษาไม่สังเกตไม่ระมัดระวังเรียกว่าเป็นคนสับเพ่าเขาเรียกว่ามีความสับเพ้าก็คือโง่นั่นเองสับเพ่าหรือโง่ทีหนึ่งมันก็สะสมนิสัยโง่ไว้ทีหนึ่งหลายสิบทีหลายร้อยทีมันก็สะสมไว้เป็นนิสัยโง่หลายร้อยเท่ามันจะโง่เก่งคือมันสับเพ้าเก่ง มันจึงประมาทเก่งมันจึงตัดสินใจผิดอย่างเร็วๆเนี่ยเก่งสังเกตดูตัวเองเคยมีบ้างหรือหรือไม่ตัดสินอะไรตัดสินอะไรลงไปพรวดพลาดและความอวดดีและการตัดสินใจนั้นก็ผิดแล้วมันก็เกิดเรื่องเสียหายหมดนี่ความโง่คือโมหะที่มันแก่กล้าเป็นนิสัยขึ้นมา นั่นจำไว้ว่าถ้าเราโลภทีหนึ่งก็จะสร้างนิสัยโลภไว้หน่วยหนึ่งโกรธทีห <t> น <symbolic orman> ok ึ e Janeiro, find, <sm> ่งก็จะสร้างนิสัยโกรธไว้หน่วยหนึ่งโง่ทีหนึ่งก็จะสร้างนิสัยสำหรับโง่ไว้หน่วยหนึ่งทีนี้ปีหนึ่งโง่โลภหรือโกรธหรือโง่กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมันก็สะสมไว้หนาแน่นนี่ แรีว่าในน้สยัยในสันดานนั้นมีอความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงมากเรจึงบังคับยาก บ, าบังคับไม่ได้ข้าใจว่าทุกคนนี่เคยประสบมาแล้วอที่ตัวเอ ง, บ, งบังคับตัวเองไม่อยู่ บ, บังคับไม่ได้บังคับวิญญาโลภ ก, ก็ไม่ได้บังคับวิญญ า, ากโกรธก็ไม่ได้บังคับวิญญาณับเคร้าอยา่ า, อยางโง่นี่ก็ไม่ได้นข้าใจว่าเคยมีกันทั้งนั้นอืม แล้วไปพิจารณาดูเถต่ว่าเมื่อมันมีอย่างนี่แล้วมันเสียหายกี่มากน้อยอมันเป็นความทุกข์ทรมานกี่มากน้อยและทําแต่ความเสียหายอย่างเดียวพอเราสะสมไปความผิดที่เรียกว่ากิเลสนี้ไว้มากน้องๆเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องได้ก็แปลว่าเราตั้งจิตไว้ผิดั้นชีวิตนี้มันก็ไปแต่ในกระแสแห่งความผิด คือมันง่ายที่ไหลไปตามกระแสะแห่งความผิดเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาแล้วเดือดร้อนเสียหายเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับแล้วบางทีก็ทําให้ผู้อื่นได้ปล่อยได้รับความเสียหายจากเราเออก็ไปอีกด้วยนี่เรียกว่ามันมีความผิดสะสมไว้ในจิตในสันดานแลว้วตั้งใจไว้ผิดแล้วสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปแต่ในทางผิด ไม่ต้องมีผีสางสิ้นไนมาช่วยทำํำที่ถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ได้รับการอบรมดีเมื่อโตพอสมควรแล้วรู้จักบังคับถ้ามันจะโลภก็ไม่ให้มันโลภมันก็โลภลดลงไปหน่วยหนึ่งลดลงไปหนึ่งเป็นลบเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลงไปเรือเ่อยๆจนจนโลภไม่เป็นเรื่องโกรธก็เหมือนกันบังคับไว้ได้ทีหนึ่งมันก็เป็นลบหนึ่งจนเป็นลบหมด ลบโกรธไม่เป็นเรื่องโง่เรื่องโมหานี่ก็เหมือนกันอีกอย่าโง่ระวังอย่าโง่อย่าสะพร้าอย่าประมาทอย่าอวดดีอย่าทำอะไรวัดๆวัดมันก็มีลบโง่ลบโมหะเป็นลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยจนมันไม่มีมากพอที่จะมามาปรุงจิตใจของเรามันจิตใจของเราก็มีความไม่โลภ ไม่โกรธไม่หลงนี่พอก็ทำให้จิตใจนี่ตั้งไว้ถูกต้องดํารงไว้ถูกต้องมันดีอย่างนี้ <c oughs> นี่เรียกวจิตใจอตั้งไว้ถูกต้องก็มันสะสมไว้แต่ความถูกต้องก็มีความสุขมีความเจริญไม่ต้องมีเทวดาไหนมาช่วยไม่ต้องมีพระเจ้าที่ไหนมาช่วย มันก็มีแต่ความสุขความเจริญขอให้เข้าใจในขอน้อนี้ว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดมีแต่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวตั้งจิตไว้ถูกมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวที่เราจะตั้งจิตไว้ผิดหรือไว้ถูกนั้นมันขึ้นอยู่กับที่เรา ได้รับการศึกษาดีอบรมดีจากบิดามันดาจากครูบาอาจารย์เรื่อยๆขึ้นไป <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบิดามันดาเป็นปุปพาาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรก <c oughs> ตั้งแต่สอนให้ดูดนมมาจน ก, กระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยในบ้านในเรือนนั่นบิดามันดาทำอะไรให้เห็น หรืพูดอะไรให้ได้ยินหรือช่วยดูแลคอยดูแลแก้ไขกล่อมกล่อให้ดีนี่เป็นอาจารย์คนแรกถ้าอาจารย์คนแรกสอนในด้านจิตใจพอควบคุมดูแลในด้านจิตใจพอไอ้ทาโรคนนั้นมันก็มีพื้นฐานแห่งจิตใจดีมันก็จะประปฏิบัติถูกต้อง มาตามลําดับมันก็ง่ายที่จะตั้งจิตไว้ถูกแล้วก็เป็นเด็กที่เจริญถ้าโชคไม่ดีเกิดในครอบครัวในตระกูลที่โง่เขลาบิดามารดาก็ไม่รู้เรื่องนี้ปล่อยให้เด็กโตโ ต, โตขึ้นมาตามหน้าของกิเลสมันก็มักจะเป็นเด็กที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องของความถูกความผิดความดีความชั่วบุญบาปไม่รู้มันก็เอาแต่อารมณ์ นี่นก็เป็นเด็กเลวโดยไม่ต้องมีใครมาทำให้ <c oughs> ที่จะเล่าจะเรียนอะไรมันก็คัดคว้างไปหมดเน่ยเขาพื้นฐานก็จิตใจมันไม่ดี <c oughs> ก็มาเป็นอันธพาลในโรงเรียนในโลกในที่สุดเราเมื่อรักตัวอยากแค่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์แล้วก็สนใจในเรื่องจิตใจ ซึงทุกๆคนมีพยายามกระพริบปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยให้ถูกต้องอยู่เสมอ <c oughs> ให้มันเป็นบวกในความถูกต้องอยู่เสมอให้มันเป็นลบในความผิดพลาด <c oughs> มันก็ไม่มีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องมันจิตใจของเราเรียกว่าตั้งไว้ถูกต้องก็จะเจริญ จเจริญโดยอัตโนมัติโดยที่แน่นอนที่สุดนี่เรียกว่าดีชั่วบุญบาปมันอยู่อย่างนี้จําเป็นมาในทางถูกต้องมันก็เป็นบุญเป็นไปในทางผิดมันก็เป็นบาปนั่นเราจะต้องระมัดระวังบาปคือต้องทั่วบาปขึ้นชื่อว่าบาปแล้วก็อย่าให้มีแม้แต่นิดเดียว จริงๆว่าบุญคือดีและถูกต้องก็มันมีมากว่าไว้แถวนี้ก็รอดตัวโดยหลักใหญ่ๆ ม, มันมีเพียงทง่วนี้ไอ้รายละเอียด น, นไปหาเอาเองไปฟังไปหาไปฟังไปอ่านไปเอามาเป็นรายละเอียดแต่หัวข้อใหญ่มีเพียงว่าดำรงจิตไว้ถูกต้องก็มีแต่ความเจริญมาก ว่าที่ใครทุกคนจะมาช่วยทำให้เราเะอีกถ้า ด, ำดำรงจิตไว้ผิดก็มีแต่ความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคนที่เกลียดชังเราระดมกันมาช่วยทำแก่เราเะอีกเนี่ยขอให้ทุกคนสนใจเรื่องของ จ, จิตใจทำให้เป็นไปแต่ในทางถูกต้องที่เรียกว่าบุญจะให้เป็นไปนทางผิดพลาดที่เรียกว่าบาปบุญและบาปนี่ไม่ใช่ มีไหว้สระวายเด็กๆหัวเราะเยาะสมันี้หัวเราะเยาะกันวบุญวัาบาปไม่รู้ไม่ชีกูเอาแต่ให้ได้อย่างที่กูต้องการแล้วก็เป็นดีเมื่อไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ดีมันถืออย่างนี้มันก็ไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็ไม่เคยได้อย่างที่มันควรจะได้เว้นไว้แต่มันจะไปขโมยไปโกงไปทุจริตเนี่ยมันจึงจะได้อย่างที่มันต้องการเพราะมันไม่ไม่ทําให้ดีถูกต้อง มันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปขโมยต้องเป็นอันตรภานแม้แต่สอบล่มันก็ต้องดูเขาก็ต้องโกงทุกอย่างมันต้องโกงไอ้คนที่มันไม่มีหลักในการที่ทําให้ดีจนคนที่มันมีหลักในการทําให้ดีมันก็ดีโดยไม่ต้องโกงมันได้สิ่งที่ควรจะได้โดยไม่ยากไม่ลําบาก มันขอให้สนใจคำว่าดีว่าเชื่อ ว, ว่าบุญว่าบาปเนี่ยให้เต็มที่ให้ถูกต้องแลวเต็มที่ <c oughs> แล้วให้กลัวบาปอะไกล้าบุญให้กลัวชั่วแล้วก็กล้าดีแล้วก็มีแต่ความเจริญเวลาที่จะพูดมันก็มีน้อยก็พูดเพียงเท่นี้ ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนทั้งหลายทุกคนจงเป็นคนมีโชคดีคือมีความคิดเห็นมุ่นมาในทางดีรักดีบูชาความดีหวังพึ่งความดีก็เกลียดกัวความชั่วไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญงอกงามก้าวหน้า ไม่แต่ในทางของความดีหรือความเจริญนี้อยู่ทุกสิพาอาศีการเทิ น, นการพูดกันขั้งสุดท้ายนี้เหมือนกับว่าเป็นการปิดประชุมเป็นการล่าหรือ รับการลาด้วยการปลาศัย <c oughs> เล็กๆน้อยๆ <c oughs> ร่วมกันไปกับการสรุปเรื่องที่บรรยายต่างๆทือจะกล่าวว่าเรื่องทุกเรื่องที่เราได้ฟังได้ยินได้ พูดกันมาแล้วนี่นอาจจะสรุปได้เป็นคำพูดทันสั้นว่าเป็นเรื่องการดำรงจิตไ <c oughs> ว้อย่างถูกต้องมัน <c> ค <oughs> อยช่วยจำว่าพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คือการ ดำรงจิตไหวอย่างถูกต้อง <c oughs> นี่ก็ย่อมจะได้รับผลอยู่ในตัวอ่าความถูกต้องนั่นเองมันขอยหเราพยายามส่วนที่เป็นการดรํารงจิตแล้วก็ดํารงจิตไหวให้ถูกต้องเ <c oughs> พื่พุทธเจ้าหาท่านได้สัตว์ไหวเป็นใจความ <c oughs> สรุปได้สันส้นๆว่าถ้าดำรงจิตไห้ยอย่างถูกต้อง <c oughs> จะได้รับ <c oughs> ประโยชน์ความสุขทุกอย่างทุกประการเหมือนกับว่า ญาติมิตรสหายคนหวังดีทั้งหมดช่วยเหลือเราช่วยกระทํอให้แกเราแล้วถ้าเราดำรงจิตวิปผิดเราก็จะสูญเสียประโยชน์มีความเสียหายได้รับความทุกข์เหมือนกับว่า คนที่เป็นข้าศึกศัตรูคู่อาฆาตทั้งหลายทั้งหมดอเขามารุมกันกระทำให้แกเราคิดดูม <c oughs> ันอยู่ที่ว่าดำร ง, รงจิตด้วยถูกต้องหรือดำรงจิตไว้ผิดล้วถูกต้องได้รับประโยชน์ดำรงไว้ผิดก็สูญเสียประโยชน์เนื่อจึงว่าเรื่องทั้งหมด มันอยู่ที่การดำรงจิตให้ถูกต้องเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องฐันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรทั้งหมดทุกเรื่องมันก็มาสรุปรว ม, มอยู่ที่ว่าเพื่อการดำรงจิตไว้ในอย่างถูกต้อง จะดำรงจิตอย่างไรไอะไรละเอียดมันก็มีมากเพราะมันจึงมีความรู้ละเอียดปรีกย่อยนั้นมากแต่มันก็อาจจะสรุปความให้สั้นๆได้ว่ามันเป็นการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้อง <c oughs> ที่นี่ก็จะเปรียบโดยอุปมาให้จำง่าย และเข้าใจง่ายได้อีกสักคำหนึ่งว่าเหมือนกับขี่รถจั ก, กรยานจิตขอ <c oughs> ทุกๆคนเข้าใจทําในใจเหมือนกับว่าเราขี่รถจั ก, กรยานจิตทําไมจึงเปรียบกับการขี่รถจั ก, กรยานเพราะว่ามันคล้ายกันมาก เกิดจทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่ว่าการขีร่รถจักรยานนั่นน่ะมันก็มีที่หมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งเราขีร่รถจักรยานจิตก็มีที่หมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งคือความหมดทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงที่เรียกว่าพระนิพพาน เป็นจุดหมายปลายทางที <c oughs> ่รถจั ก, กรยาน <c oughs> จะขี่ได้ขี่ไปได้นั่นนันมีความหมายสองความหมายาซ่อนกันอยู่ <c oughs> คือควบคุมรถจั ก, กรยานได้ไม่ให้ล้ม นี่ตอนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ออกแรงทำให้มันวิ่งไปแล่นไปเคลื่อนที่ไปนีอ่อีกตอนหนึ่ง <c oughs> ถ้ามันล้มเส้นมันก็ไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็คือไม่ล้มเนะอที่มันไม่ล้มแลวไปได้นะมันเนื่องกันอย่างที่จะแยกกันไม่ออก ถ้ารถจักรยานมันมีการพุ่งไปข้างหน้ามันก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะล้ม <c oughs> แต่เราก็ทั้งระวังอมันไม่ให้ล้มอะไรมันพุ่งไปข้างหน้าได้ไการที่มันไม่ล้มกับการที่มันจะพุ่งไปข้างหน้านั้นมันแฝดกันอยู่ <c oughs> เรื่องขี่รถจักรยานจิตก็เหมือนกันต้องทําจิตให้ตั้ง มั่นอยู่ในลักษณะที่เป็นสมาธิแล้มันพุ่งไปข้างหน้าคือรู้แจ้งแจ้งในอะไรได้กลายออกไปเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของวิปัสสนาหรือปัญญาเรื่องเกี่ยวกับจิตแบ่งเป็นสองตอนตอนสมาธิหรือสมถะนี่ คุมจิตจะอยู่ในอำนาจและตั้งมั่นอยู่ได้พร้อมที่จะทำงานของมันแล้วก็เป็นขั้นต่อไปก็คือวิปัสสนาหรือปัญญาที่มันจะแล่นไปด้วยกระแสะแห่งความรู้รู้รู้รู้รู้ ร, รู้จนถึงที่สุดมันก็หลุดพ้นและปล่อยวางนี่มันมันเหมือนกันอย่างนี้ สังเกตดูเพาะเข้าใจว่าทุกคนนี่คงขี่รถจักรยานเป็นเพ <c oughs> ียงแต่จะไม่สังเกตเท่านั้นเองทีนี้มันเหมือนกันในข้อที่ว่ามันล้มง่ายนี่หมายถึงรถจักรยานสองล้อซึ่งมันล้มง่ายตอนลำพังมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้โดยโดยไม่มีขาค้ำ มันลำพังสองล้อมันตั้งอยู่ไม่ได้มันล้มง่ายมันล้มเกงแล้วมันก็ต้องบังคับหรือบังคับยากจิตนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันล้มง่ายคือมันฟุ้งซ่านมันออกนอกลูดนอกทางง่ายคือมันบังคับยาก มันจึงเปรียบรถรถจักรยานมันล้มง่ายอย่างไรจิตก็ล้มง่ายอย่างนั้นที่เราต้องฝึกฝนกันจนจะบังคับมันได้และขี่มันได้แล้ที่มันยังเหมือนกันอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากนันก็คือข้อที่ว่ามันสอนกันไม่ได้ ให้คนอื่นสอนไม่ได้มันต้องสอนด้วยตนเองด้วยตัวมันเองนี่คนไม่ไปเชื่อเขาหาว่าคนพูดนี่โง่หือหลับตาพูดคือเราบอกเขาว่าไอ้การขี่รถจั ก, กรยานนั้นมันสอนกันไม่ได้ไอ้คนโง่นั่นมันก็เถียงว่าอ้าวก็มีคนมาช่วยจับช่วยยึดช่วยหน้ช่วยเอ อธิบายตอนแรกก่อนไม่ใช่รือ <c oughs> ้อเขาบอกว่านั้นมันก็จริงแต่มันไม่สําเร็จประโยชน์การสอนนั้นไม่สําเร็จประโยชน์มันเพียงแต่บอกให้รู้ว่าทาอย่างไรสอนให้เสร็จอธิบายให้เสร็จพ อ, อให้ขึ้นขีมันก็ล้มเท่านั้นพอขึ้นขีมันก็ล้มก็จับเสือกไปมันก็ไปล้ม ตอนนี้แต่สอนกันยังไงก็สอนไม่ได้ <c oughs> จะให้มีใครมาสอนให้เราจับมือของรถแล้วทำให้เกิดบาลานซ์ถูกต้องไม่ล้มไปได้เลยนี่ทำไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครสอนได้ <c oughs> ขอให้เข้าใจตอนนี้มากๆอย่าไปโง่ืานคนบางคนรืกคนแทบทั้งหมดมันวังจะใช้คนอื่นสอนเรื่อยไป อะไรสักนิดก็จงให้คนอื่นสอนเรื่อยไปจะฟังจะเรียนไปเสียแตพึดไม่พยายามที่จะสอนตัวเองรู้ตัวเองถ้าถามว่ า, าการที่ขี่รถจักรยานเป็นใครมันสอนให้ <c oughs> เราจะต้องบอกว่าไอ้รถจักรยานนั่นแหละมันสอนให้หรือว่าการล้ม ข อ, ของรถจักรยานนั่นแหละเป็นสิ่งที่สอนให้การล้มลงไปทีหนึ่งมันสอนให้ทีหนึ่งล้มอีกทีหนึ่งก็สอนอีกทีหนึ่งล้มอีกทีหนึ่งก็สอนอีกทีหนึ่ง <c oughs> มันจนรู้จักทำํำความสมดุลไม่ล้ม <c oughs> ที่มันก็ไปได้งอกแงกงอกแงกงอกแง้งเมันก็คนเมาที่ใครจะสอนได้อีก การที่จะขี่ได้เรียบไป ม, มันไม่มีใครสอนได้นอกจากไอ้รถจักรยานนั่นเองการที่มันไปงอกงแงงอกงแงงอกแงกเนี่ยมันสอนให้ทุกที่จนกระทั่งเรารู้จักจทำสมดุลมันก็ไม่งอกงแงกมันก็ไปเรียบรู้จักใช้กำลังหลักดันทีน่ะให้มันพอดกีกับการที่จะบังคับมือ สองข้างให้มันสัมพันธ์กันดีเหมาะสมกันดีแล้วมันก็ขี <c> ่ <oughs> ไปได้เรียบตามต้องการ <c oughs> ทีนี่มันยังจะสอนกันอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นละเอียดประณีตสุดยอดคือจะขี่รถจั ก, กรยานชนิดที่ ปล่อยมือเลยเลี้ยวได้ตามต้องการตาตมาทําได้ไม่ใช่วดดีเมื่อเป็นคราวาห์ขีรัะจกรยานปล่อยมือตรงนะั้นตอนที่ขี่ได้ไปมือจับน่าจะมาเป็นการขี่ปล่อยมือนี่ไม่มีทางที่ใครจะสอนให้ได้เพราะมันเป็นการใช้ลําตัวสะเอวน้ําหนักศูนย์วงอันนี้ บ, บังคับนี่มันต้องไปเร็วๆด้วย มันกระทั่งหขี่รถจักรยานปล่อยมือเลี้ยวได้อะไรได้ตลอดเวลานี้ไม่มีใครสอนได้นอกจากรถจักรยานนั่นเอง <c oughs> ถ้าพูดให้ถูกมันก็ต้องเรียกว่าการล้มนั่นเองล้มเจ็บมากๆ ก, ก็ยิ่งสอนมากจนมันไม่ล้มมันก็สําเร็จประโยชน์ในการขี่รถจักรยาน ไปถึงจุดหมายที่ตัวต้องการได้โดยไม่มีใครสอนได้ี <c oughs> ่เรื่องฝึ ก, กจิตก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าใครมันจะสอนหได้มานะ่ <c oughs> จับจูงอะไรกันอยู่อย่างนี้มันก็ได้แต่บอกเรื่อง <c oughs> ว่าจะต้องทำอย่างไรเหมือนกันแนะให้ทำให้ ใ ห, ให้จับรถจักรยานอย่างไงให้ทีบอย่างไงอะไรอย่างไรแน่ได้บ้างนะไม่ใช่จะไม่แน่ได้จะเลยแต่แล้วมันไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยดนการแน่เพียงเท่านั้น <c oughs> มันก็ต้องขึ้นทีรถจักรยานจิตแล้วมันก็ล้มให้ดูคือทําไม่ได้อจิตมันมันมันละจากอารมณ์คือไม่ไม่แน่แน่เป็นสมาธิเราเรียกเหมือนกันล้ม่ ถ้าเขามีหลักว่าให้จิตนี่กําหนดลงไปที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องพุโทโธหรือจะเป็นเรื่องหายใจออกข้าวหรืออะไรก็ตามมันมีอารมณ์นี่จะเรียกว่านิมิตก็ได้สําหรับจิตกําหนดเขมีการกําหนดอารมณ์ hmm. ก็เหมือนกับขึ้นขี่รถจั ก, กรยานแล้วมันก็ล้มคือจิตมันไม่กําหนดจิตมันทะเลทลายไปเสียที่อื่นนี่เรียกว่าบังคับมันไม่ได้ ทีนี้ก็ต้องต่อสู้กันมันล่มอย่างไรมันไม่ได้ได้วยเหตุใดต้องเอาอันนั้นมาเป็นครูสอนทำการสังเกตให้ละเอียดละออว่าต้องทำอย่างนี้แล้วลองทำอย่างนี้แลลองทำอย่างนี้แลลองทำอย่างนี้ทุกๆุกทีที่มันล่มหรือมันละจากอารมณ์มันไปเจอที่อื่น จนกระทั่งค่อยๆพบไอ้สิ่งลึกลับทีละนิดทีละหน่อยจนสามารถบังคับจิตให้กำหนดอยู่ที่อารมณ์ได้เห็นนานเป็นที่พอใจนี่เรียกว่าสำเร็จในขั้นที่เป็นสมถะหรือสมาธิแล้วเ <c oughs> พียงแต่เรารู้จักทำให้มันไ ม, ไม่ล้มไม่ล้มแล้ว <c oughs> ทีนี้มันยังไม่ไปมันไม่ยังไม่พุ่งไปข้างหน้ามันยัง เ, เ, เปะๆปะๆนี่มันจึงต้องเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับที่เรียกว่าปัญญาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ก็รู้ยิง่งยิ่งขึ้นไปจนตัดกิเลสจนบนรรลุมรรคผลนิพพานนันั้นเรื่องของจิตมันจึงมีอยู่เป็นสองตอนคือตอนที่เป็นสมาธิ มีหมายจึงบังคับจิตได้ตอนที่เป็นปัญญาใชา้จิตที่เป็นสมาธินั้ น, นแล้วนั้นพิจารณาให้เห็นแจ้งเียกว่าดูดูดู ด, ดูจนเห็นแจ้งไม่ใช่มามัวคิดนึกตามวิธีเหตุผลตักกะป ร, รัชญาก็เปล่าทั้งนั้น เมื่อ <c oughs> จิตเป็นสมาธิถึงที่สุดแล้วก็ดูเพ <c oughs> <"Do> ่งดูลงไปที่สิ่งที่เราจะต้องดูเช่นว่าทำลมหายใจเจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งดูลมหายใจที่มันไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตา <c oughs> หรือเพ่งดูเวทนาที่เป็นสุข ที่เกิดมาจากสมาธินั่นว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ดูไอ้จิตนั่นเองดูไอ้ตัวจิตนั่นเองว่ามันก็มีเหตุปัจจัยกรุงแตงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเกิดความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามากพอเม่จิตมันก็ถอนจากความยึดมั่นที่เคยยึดมั่นในสิ่งใดมาแต่ก่อนว่ายังต้องดูอีกดู อย่าไปคิดนำจะไปคิดนำแล้วมันเป็นเรื่องเออนอกลู่นอกทางเป็นเรื่องผิดไปได้ไม่ทันรู้เพราความความอความจริงหรือของจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูไม่ใช่เราไปคิดนำมันมันจริงอยู่ในตัวมันแล้วก็ดูให้เห็นความจริงอตอนนี้ก็สําเร็จก็เห็นความจริงหเห็นความจริงแล้วจิตก็เบือ่อนายจากไอ การยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าหลุดรอดถ้าท่านผู้ใดสนใจในพุทธศาสนาถึงขั้นที่ว่าถึงหัวใจของพุทธศาสนาก็จะต้อง ศึกษาและปฏิบัติกันจนเข้าใจเรื่องนี้เรื่องการดำรงจิตว้ายถูกต้อง <c oughs> ความถูกต้องในขั้นแรกก็เป็นสมาธิได้นี่ก็สบายมากแล้วนะกิเลสไม่รบกวนไม่หมดกิเลสแต่กิเลสไม่รบกวนเป็นอยู่ได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะกิเลสไม่รบกวนคืออยู่ในสมาธิ จะคิดนึกอะไรก็คิดได้ดีจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทําการทํางานก็ทําได้ความสนุกสนานโดยจิตที่มันเป็นสมาธิเนื้อตั้งจิตไว้ถูกต้องในขั้นแรกคือให้มันมีสมาธิได้ที่ตั้งจิตไว้ถูกต้องในระดับที่สองก็คือให้มีปัญญามีวิปัสสนามีความรู้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอะไรเป็นอะไร เคยพิจารณาเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ความรู้อันนี้มาทันท่วงทีไม่ให้เผลอสติไม่ให้หลงเผลอสติจนเกิดกิเลสความรู้ที่แจ่มแจ้งเข้ามาทันท่วงทีโดยอำนาจของสติจิตนี่ก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสทำแต่อย่างนี้เรื่อยไปจนตายตัว มันก็เป็นการบนรลูมรคกุนนี่เรียกว่าไปถึงขั้นสุดท้ายที่นี่จะพูดถึงคนอยู่ในโลกคนที่อยู่ในโลกตามปกติธรรมดาสามัญมันก็ต้องการการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องนี่เหมือนกัน พอดาตรงจริตไว้ไม่ถูกต้องกันควบคุมไม่ได้มันก็เหหันไปในทางต่ําในทางเลวในทางที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเต็มไปด้วยความยั่วยวนหมายความว่าสิ่งที่มันจะยั่วให้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีมากมันเต็มไปทั้งโลก <c oughs> แล้วเราก็ไม่สามารถ ที่จะควบคุมบังคับจิตจิตมันก็เห่ไปในทางที่ไม่ถูกต้องจึงไม่ประสบสำเร็จจึงไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ในการเล่าเรียนกระทั่งถึงการทำงานมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแก่ผู้ที่ควบคุมจิตไม่ได้ไม่ดำรงจิตไวในความถูกต้องเพราความถูกต้องในที่นี้ให้ความหมายมันกว้างกว่า ถูกต้องคือมันสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เราจะทำจริงได้เราต้องการจะทำารือทำให้ได้ถ้าทำได้สำเร็จต้องเรียกว่ามีความถูกต้องให้ความผิดหรือความถูกนะั้นน่ะอย่าไปเชื่อคนอื่นนะักอย่าไปเอาตามตัวหนังสือตำรับตำราอะไรนะักให้เอาที่ตัวมันนั่นเองถ้ามันให้เกิดความสำเร็จประโยชน์จริงแล้วก็ให้ถือว่าถูกต้องเถอะ ถ้ามันไม่สำเร็จประโยชน์ค่อยถือว่ามันผิดกันแล้วกันอย่าไปถูกไปผิดตามตัวหนังสือตามเขาว่าตามเขายึดถือกันมาเป็นประเพณีเป็นอะไรก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องเรื่องนี้ไปหาอ่านดูจากกาลามสูตร <c oughs> คือพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ให้ถือว่ามันถูกต้องเมื่อได้รู้สึกด้วยตนเองว่ามันถูกต้องคือมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ เมืเราจะเราเรียนหรือเราจะทําการงานหรือเราจะทำอะไรส่วนย่อยๆปีกย่อยออกไปมันก็เกี่ยวกับความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทั้งนั้นงั้นเราพยายามเรื่อยไปสังเกตศึกษาปรับปรุงรอยู่เรื่อยๆไปให้มันเกิดความสําเร็จประโยชน์มันก็ค่อยๆรู้ความถูกต้องมากขึ้นจนถูกต้องไปทุกสิ่ง จนถูกต้องออถึงที่สุดแ้วมันหมดปัญหาแล้วเรื่องมันมีเท่านั้นฮะด้วยความถูกต้องนั่นจะเป็นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพานมันมีเท่านั้นเองท่านขออย่าได้เข้าใจปิดและเห็นว่าไอ้เรื่องดํารงจิตได้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อ ย, อยๆเกินไป จริงมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทั้งหมดมีความสำคัญทั้งหมดถ้าเราดำรงกิจว่าไม่ถูกต้องมันก็ทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้แม้แต่การเล่าเรียนและเมื่อไม่ถูกต้องมากข้าวมันก็จะเกิดความชินเป็นนิสัยมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่า น, นเกิดการบังคับไม่ได้มันก็จะเป็นโรคประสาท แล้วมันก็จะเป็นบ้าแล้วมันจะต้องตายถ้าว่าดำรงจิตไว้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะถึงกับเป็นบ้าและตายเพวกที่เขาเป็นโรคเส้นประสาทกันมากๆมลย ม, ม, มากขึ้นนี่เพราะว่าเขาดํารงจิตไว้ไม่ถูกต้องในโลกที่มันสับสนวุ่นวายยิ่งขึ้นทุกทีคือโลกปัจจุบันนี้มันมีความสับสนมากมีความยาก แก่การที่จะดํารงจิตว่าให้ปกติหรือถูกต้องนันหมอเขาได้ออกรายงานมาว่าในโลคปัจจุบันนี้คนเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นใน่าเทียบตามส่วนของคนละเมืองแม่ที่มันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่อาการเป็นโรคประสาทมันยังมากกว่าการเทียบส่วนตามจํานวนของคนละเมืองในโลกก็หมายความว่ามันมีการดํารงจิตไม่ถูกต้องอะไรมากขึ้น เพราะสิ่งที่มายั่วยาวมากระทบกระทั่งมาเบียดเบียนในโลกนี้มันมากขึ้นฉันจึงหวังว่าท่านทั้งหลายที่ยังจะต้องอยู่ในโลกต่อไปอีกหลายปีใหสนใจในข้อนี้สนใจในข้อที่ว่าจะมีความรู้เพียงพอที่จะดำรงจิตว้ยให้ถูกต้องสามารถเผชิญหน้ากันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ที่จะมารบอวนที่จะมาหลอกลวงที่จะมากระทบกระทั่ง <c oughs> ที่จะมาบีบคั้นบังคับมากขึ้นจะต้องฉลาดพอที่จะไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงยำย่ำยีฉลาดพอที่จะปลอดภัยอยู่ ในถามกลางโลกที่มันมีแต่ความเลวร้ายมากขึ้นทุกที่ <c oughs> อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำรูปภาพรูปหนึ่งในตึกโรงหนังนะันนะไว้ไปด้วยรูปที่ว่านั่งในปากงูเหมือนลิ้น ง, งูอยู่ในปากงูถ้าไม่ไม่ได้สนใจก็ไปดูเสีไใหม่ ก็สนใจแล้วก็จะนึกได้ว่าการอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องดำรงการอยู่เหมือนกับลิ้นงูอยู่ในปากงูภาพนั่นก็เขียนเป็นงูตัวใหญ่นั่งอ้าปากอ้าปากอยู่ก็มีพระ อ, นะองค์หนึ่งนั่งอยู่ในปากงูให้คำเปรียบว่าเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกกันกับเขี้ยวงู นี่เราก็อยู่ในปากงูชนิดที่ไม่ถูกกันกันกบเขี้วงูอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> คือโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนปากงูที่เต็มไปด้วยเขี้วงูเราก็อยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่ถูกกันกับเขี้ยวของโลกเช่นเดียวกับลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกกับเขี้ยวของงูนี่คือผลหรืออานิสง์ ต้องการที่จะดำรงจิตว้ายอย่างถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่กระทบกระทั่งกันเข้ากับความผิดพลาดเราก็ได้รับประโยชน์มาก <c oughs> คือสามารถจะทำอะไรได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นสุขสบายอยู่ในตัวการทำการงานนั่นเอง เมื่อดํารงจิตได้ถูกต้องแล้วการงานก็สนุกการงานกลายเป็นของสนุกก็เลยได้กําไรความสุขความสนุกก็ได้ผลของการงานก็ได้ถ้าเราดํารงจิตไว้ไม่ถูกต้องแล้วการงานจะเป็นที่น่าเบื่อหน่ายไม่อยากจะทําเหมือนที่ไม่อยากจะเล่าเรียนหรือไม่อยากจะทําหน้าที่การงานในออฟฟิศตามเวลาเนี่ยเพราะว่ามันไม่สนุก เพราะว่าเขาดํารงจิตว้ายไม่ถูกต้องถ้าเขาดํารงจิตว้ายถูกต้องตามวิธีแล้วมันจะสนุกในการทำงานแม้จะเหนื่อยก็ยังสนุกเพราะจิตมันดํารงอยู่อย่างถูกต้องไปในทางความถูกต้องมันจึงรู้สึกเป็นสุขในการที่ทำหน้าที่ คือมันมีความรู้ว่าการทำหน้าที่คือสิ่งสูงสุดของมนุษย์มนุษย์ที่ทำหน้าที่ของมนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันจึงพอใจในหน้าที่ในการทำหน้าที่ขอให้ทุกคนดำรงจิตของตนไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างนี้ในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้ ก็จะมีความพอใจโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวมันเองไม่มานั่งเศร้าส้อยง้อยเงาอยู่เหมือนคนโดยมากแล้วก็ไม่ต้องบ้าบอจนถึงกับไปกินยาตายทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างราบรื่นถ้าดำรงจิตได้ถูกต้องทุกอย่างมันจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ในตัวมันเองแล้วก็ก้าวหน้าในการทำงาน เกี่ยวกันก็จิตที่เป็นสมาธิแล้วก็มั่นคงเป็นสุขรู้สึกเป็นสุขจากสมาธินั่นอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก้าวหน้าในทางการงานคือเรื่องของปัญญาแฉมแจ้งออกไปออกไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่ขอให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องของสมาธิและของปัญญาอย่างนี้ ที่จะไปอ่านหนังสือเล่มไหนธรรมะเรื่องอะไรมากหรือน้อยอย่างไรก็จับใจความสําคัญของมันให้ได้ว่าเรื่องนั้นคำพีนั้นที่เราอ่านนั้นมันสอนวิธีดํารงจิตให้ถูกต้องอย่างไรนี่สำคัญมากอย่างว่าทําอนาปานสติกําหนดในหมวด ที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องสมาธิหมวดที่สองก็ที่สามก็เป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องปัญญาปลกันไปหมวดที่สี่เป็นเรื่องปัญญาล้วนถ้าสนใจอยากจะได้รับประโยชน์จากข้องขวัญอันะเิฐจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องสนใจเรื่องนี้อย่างนี้ถ้าไม่ต้องการกันแล้วไป <c oughs> มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะศึกษาพุทธศาสนากันไปทาไม ให้เสียเวลาไม่เสียเวลาก็ให้มันรู้จักประโยชน์ผลที่จะได้รับคือดำรงจิตไว้ถูกต้องแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปจึงขอร้องให้สนใจการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทุกเรื่องทุกราวให้จับช่วยเอาให้ได้ในข้อที่ว่าจะดำรงจิตไว้ ถูกต้องอย่างไรแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ทุกเล็กทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมหาศาลทุกอะไรมันก็ไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้ยังมีคนเป็นอันมากเป็นโรคเช่นประสาทอยู่คือไม่พอใจในชีวิตของตนไม่รู้สึกเป็นสุขหรือพอใจในความมีชีวิตอยู่ของตนแต่ละวันละวัน หายใจข้าวออกอยู่ด้วยความคิดที่วิปริตฟุ้งซ่านไม่มีความพอใจในตัวชีวิตนั้นเลยนี่มันเริ่มบ้าแล้วคือมันเริ่มเป็นโรคประสาทแล้วถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่พอใจในความเป็นอยู่ของตนการกระทําของตนเนี่ยมันเริ่มบ้าแล้วมันเริ่มมีความวิปริตทางจิตแล้วมันจะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าในที่สุด ของที่จะคุ้มกันได้ก็คือธรรมะในลักษณะที่ <c oughs> จะช่วยให้ดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องอาตมาจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรนำมาพูดเป็นเรื่องขมวดสุดท้ายเรื่องอื่นๆก็ทุกเรื่องสอนให้ดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องแล้วเราก็พูดกันเรื่องนี้ ใช้คำง่ายๆกันลืมว่าเป็นการขี่รถจั ก, กรยานจิตรายละเอียดก็เหมือนที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าทุกคนจงขี่รถจั ก, กรยานจิตให้สำเร็จประโยชน์ให้ปลิวแล่นชิ้วไปสู่จุดหมายปลายทางให้จนได้ก็ไม่เสียดี ที่มาสวนโมกเสียเงินค่ารถลำบากยุ่งยาก ต, ต่างๆนานาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ป่วยก้านมันก็ควรจะได้อะไรที่คุ้มค่าหรือเกินค่าเราก็มีกันแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนว่ายอย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนอย่างไร ให้มหาชนได้ก้าวหน้าตามวิถีทางของมนุษย์จนถึงระดับสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ขอให้สําเร็จประโยชน์ตามนี้ในที่สุดนี่ขอกล่าวคําอวยพรให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงมีความกล้าหาญเพียงพอมีความแน่ใจเพียงพอมีความร่าเริงสนุกสนาน ในการที่จะปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาจนรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงสามารถดำรงจิตว้อย่างถูกต้องแล้วชีวิตนี้ทั้งหมดก็จะดำเนินไปในลักษณะที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งคือมีความสุขอยู่ในตัวมันเอง เหมือนกับคนกำลังขี่รถจักรยานแล่นไปนี่มันก็เป็นสุขต้้งแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็เป็นสุขก็ขอให้ชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นไปในลักษณะนี้ตลอดทิปารอารีการเทิน